คำว่าความหลงก็เหมือนเราเดินทางยอมสําคัญทางที่ผิดนั้นว่าเป็นทางถูกแล้วก็เดินไปทาไม่หลงแล้วก็ไม่เดินตามทางผิดเดินตามทางที่ถูกไม่เลื่อยไปทาไม่หลงก็ไม่ทาผิดไม่พูดผิดไม่คิดผิดไม่ถือผิด ผลก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่ตัวเราการหลงทางก็เป็นโทษนันหนึ่งที่ทำให้เสียเวลามลาและเหนื่อยเปล่ า, ลาการทำผิด ก, การพูดผิด ก, การคิดผิด ก, ก็ทำให้ทั้งเสียเวลาทั้งเป็นทุกข์แก่เรานี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการทำผิดพูดผิดคิดผิดพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อให้ ทราบว่าจิตใจเราเป็นผู้มีความผิดผิดอยู่เสมอมพยายามแก้สิ่งที่ผิดผี่ภายในใจิตใจเพื่อจะระบายออกในทางกายวาจาและทางใจเสียเองเป็นความถูกต้องดีงามผลจะถึงสมหวังเพราะเหตุที่ถูกต้องผลย่อมดีเสมอไปถ้าเหตุที่ผิดผมจะผลนั้นจะลบล้างไม่ได้ หรือจะปิดกั้นไว้ไม่อยู่ต้องแสดงเป็นความทุกของง์ออกมาแล้วคําว่าความหลงนี้เมื่อเราจะนับจํานวนคนที่หลงนี้จะมีกันเท่าไหร่คนที่รู้จะมีสันเท่าไหร่ถ้าจะเทียบกับคนรู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นั้นก็เหมือนเอามือไป หย่อนลงแม่น้ํามหาสมุทรฝ่ามือของเรานี่กว้างขนาดไหนแม่น้ํามหาสมุทกว้างขนาดไหนธัดโลกที่ลุ่มหลงอยู่ในวัฏจักรสงสาร น, นี้มีจํานวนมากเพียงไรในแม่น้ํามหาสมุทรยังแคบแต่เียงเป็นข้อเท็จเคียงกันได้เท่านั้นว่าผูท้ที่รู้มีจำนวนน้อยผูทท้ที่หลงมีจำนวนมากเทียบกับแม่น้ํามหาสมุทร ทั้งหลับความคว้ามขวางแลนมนีมากมายของสัตว์โลกที่เป็นไปด้วยความยื่งหยิงผู้ที่รู้คือสามารถเอาตนนอดพ้นไปได้ก็มีจำนวนเท่าฝ่ามือเสาอคำว่าทำหลงเพียงคำเดียวเท่านี้มันถูกกับทุกรูป ท, ทุกนามบรรดาสัตว์และบุคคลที่มีวิญญาณครอ กระเทือนไปทั่วโลกกระถางรวมแล้วทั้งสามโลกกระถางเป็นที่อยู่แห่งความยังสัตผู้หลงหลงทั้งนั้นพ้ที่รู้จริงๆไม่อยู่สัตโลกจึงอยู่ด้วยความหลงไม่ว่าท่านว่าเรามีจานวนมากอย่างไรเราไม่อาจนับได้ทั้งที่เป็นรูป ก, กลางมองเห็นด้วยตาเนื้อทั้งที่ไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อ ก็อยู่ในอำ น, นาจแหงความหลงเป็นสิ่งครอบงำไว้แต่ผู้ที่จะมาแนะนำสั่งสอนให้อุบายวิธีการแก้ความหลงนี้ก็มีน้อยมากทั้งแรกก็มีพระกุทธาจารเป็นผู้ทรงสราบเรื่องความ่มหลง แล้วปรากฏเป็นความรู้อันแจ่มแจ้ ง, งชัดเจนขึ้นมานำทำที่เป็นเครื่องแก้ความหลงและโทษแห่งความหลงคุณค่าแห่งความรู้นำมาแสดงแก่โลกเรียกว่าแสดงทั้งเหตุทั้งผลทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจนกระทั่งประชาชนภูมิมุ่งหวังต่อความรู้ความฉลาดเพื่อความหลุดพ้นจากทุกอย่างจนใจแล้ว ได้รับฟังก็เกิดความเชื่อความสงสัยประพฤตปฏิบัติตามเท่าองค์ท่านงิงกายเป็นผู้รู้ขึ้นมาโดยลำหนับลำาดาที่เราให้นามว่าสาวกอาราหาันท่านนะเป็นลำหนับมาจช่นนี้และท่านอย่างนั้นค่อยปริพานไปเรื่อยๆร่่งโรยไปเรื่อยแบบีความมืดมิดปิดตาก็อ ย, อยิ่งมีกำลังมากขึ้น ทั้งโลกก็เต็มไปด้วยความหลงผูท้ที่จะมาชี้แจงสั่งสอนให้รู้แจ้งเห็นจินในความหลงทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีก็จะแล้วนะโลกนี้จึงอยู่ด้วยความมืดมิดปิดตากันถึงจะมีหูตาสว่างอยู่ก็สว่างไปตามเรื่องของโลกไปเสียไม่ใช่สว่างด้วยความจินคือรู้จินเห็นจินดังพระพธธิทัจษ์และสาวกมันก็เลยกลายเป็นหูหนาตาเถื่อน ธรรมะเถือนก็คือป้อมตามีอยู่ก็รลอมหูมีอยู่ก็ปลอมอรับทราบได้ได้ยินแต่สิ่งที่แะสิ่งที่จอมปรอมเข้ามาแทรกสิ่งแทกสิ่นจิตใจของเราให้เมือ่อมิขึ้นไปโดยลำดับเพราะการได้เห็นการได้ดันได้ยินเป็นต้นเรื่อยมาสิ่งที่แสดงออกทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่จะให้หลงธรรมชาติของจิตก็มีความรุ่งหลงอยู่อย่างเต็ม ตัวดีแล้วก็ยิ่งเข้ากันได้ไง่าความจริงจริงแทรกเข้าไปได้ยากเพราะฉะนั้นการตบหริอปฏิบัติธรรมหรือการฟังธรรมซึ่งเป็นความจริงผิดจริงฝืนเข้ามาไม่ไปแต่สิ่งที่ผิดชอบก็คือสิ่งที่เป็นเป็นเนื้อเป็นหนังอยู่ภายในใจจนมองหาใจไม่เห็นแล้วนั้นี่เียกว่าของปลอมทั้งสิ่งอันใดที่ปลอมกับของปลอมก็เข้ากันได้ไง่าย เส้นเดียวกับคนชั่วต่อคนชั่วเข้ากันได้ง่ายเป็นเพื่อนเป็นมิตรสนินสนมกันดีหายคนดีก็เข้ากับคนดีแต่มีจำนวนน้อยเป็นพวกของใครของเราไปเป็นพวกของความหลงข้างนอกก็เรื่องหลงข้างในก็เป็นผู้หลงเมื่อเข้ากันแล้วมันก็เข้ากันได้อย่างสนิทเชื่อได้ง่ายเพราะเคยเชื่อมาแล้วการที่จะปฏิบัต กพื่อแก้สิ่งเหล่านี้ออกจากใจจึงต้องฟื้นฝืนมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆฝืนมาเป็นลํำดับตาราเพราะเคยถูกถู ก, ถ ก, ถกมัดมาจนแน่นจนกลิกตัวไม่ออกและไม่สนใจที่จะกระถุดลากตัวเองออกจากสิ่งนั้นเมื่อได้รับการแสดงจากพระพุทธเจ้าหรือได้ดูตามตำลำดับตาํารา มันเป็นแนวทางที่ถูกต้องออกมาจาก ส, ว ส, วสวา่วนขาธรรมที่หนึ่งมีความสนใจประพฤติปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามก็ตก้องฝืนถึงวันนี้อยู่เลยดีดังพวกเราประพฤติปฏิบัติอยู่แบบนี้ก็ออกมาจากคนเรื่องใจของคนย่อมเหมือนคนแม้จะออกมาอยู่ในวัดแล้วความรู้สึกนั่งเดิมย่อมมีอยู่ภายในใจเสมอคือความขี้เกียดมจ ง, ง่ายความคล้อยตามสิ่งที่เคยคล้อย ความเชื่อสิ่งที่เคยเชื่อย่องขังใจอยู่อันนี้การที่จะฝืนสิ่งเหล่านี้ยังเป็นความลําบากลำบนอยู่สําหรับผู้ปฏิบัติเน้จะมีความมุ่งมั่นต่อตอัตตธรรมมากน้อยเพียงไรก็จําต้องได้ฝืนสิ่งที่เป็นปากเป็นน้ําอยู่พาในจิตใจของเราโดยอยู่โดยดีการปฏิบัติธรรมจึงเป็นของยากของลําบากเพื่อจะเปิดสิ่งที่ปิดบงังอันล่าจิตใจของเราเนี้ให้ออกให้เห็นเหตุเผล เห็นต้นของนกายเห็นอัดเห็นธรรมภายในใจิตใจจนกว่าจะได้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้มีกําลังในความสามารถความเชื่อค ว, ความสงสัยความวิสัยพยายามจากนั้นก็ค่อยสะดวกสบายถึงจะยากลาบากผลก็ปรากฏอยู่ภายในใจแล้วกดเป็นเนเื้อเสริกันไปด้วยความพอใจที่จะเพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนความสงบสุขที่เคยมีอยู่แล้วให้มีความสว่างสบายยิ่งขึ้น เราขอสัมพันธ์ก็คือให้เห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ด้วยความหลงยืนอยู่ด้วยความหลงนอนอยู่ด้วยความหลงเดินไปด้วยความหลงในยาบททั้งสี่เป็นไปด้วยความหลงมาเกิดก็มาด้วยความหลงมาอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความหลงจะไปข้างหน้าก็ไปด้วยความหลงเมื่อเราเห็นโทษถึงนี้อยู่โดยสม่ำเสมอภายในจิตใจอยู่แล้วก็เป็นเหตุจะให้มีความอุตสาห์พยายาม แยกแยะสิ่งอห่านี้ออกจากใจพอมีทางเล็ดลอดไปได้ตามกำลังของความสามารถของเราอย่างไรก็อย่าลืมคําว่าพทาุทธังกำลังกระฉามอะไรก็ตามให้รู้ถึงนั่นเสมอทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลที่พระองค์ทรงดำเนินมาก่อนแล้วและได้ทรงรับผล ม, มาเป็นที่พอพระไทยป็นำมาประกาศสอนโลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงดาเนินอย่างไร ความทุกข์ความบาปเขามี ใ, ใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าไปได้เความรู้ความเห็นก็ทรงรู้แจ่มเหนชัดไม่มีสิ่งใดปิดบงังดีลักนทำธรรมที่เปิดเผยนั้นมาสั่งสอนโลกถ้าดีมีความเปิดเผยไป่ตามตามพระองค์ท่านคือเรียกว่าตามขดิษพระองค์ท่านธรรมมังสนงังคาถามนี้ก็ไม่มีอันใดที่จะปรเกิดเลิศยิ่งกว่าธรรมมันดาในโลกทั้งสามคือการมโลกรูปรโลกอ ร, รูปรโลก ส่วนแรกตั้งแต่เป็นสิ่งกดท่วงความหลุดพ้นคือความสุขอันเกษมสำลานความสุขอันเกษมสํารานที่มีใจเป็นคํานวล น, นวนนั้นท่านเรียกว่าธรรมอันตรสรข่อนที่จะได้ครองธรรมเหล่า น, นี้ได้รู้เห็นธรรมเหล่า น, นี้ก็ต้องเด็ดขาดฝืนบึกบูนเป็นกําลังความสามารถด้วยกันแต่จะยากลํำบากเป็นไรก็าตามให้ถือว่านี้คืองานพวก ความก้าไปให้พ้นจากกองทุกไม่ใช่งานเพ่ความร่มจบเราอย่าถือความตายยึดความตายมาฝังไว้ในจิตใจในประการที่สามขอให้ลึกถึงพระสงฆ์สาวกท่านท่านเป็นคนเหมือนกันกันกบเ ร, ออกาากเราออกมาจากคุณต่างๆเวลาออกมาท่านก็เป็นคนออกมามาบวชเป็นพระแล้วก็คือคนเป็นพระท่านอุตสาห์พยายามดาเนินท่านอย่างไรท่านจึนงจเป็นพระนางข้าสามีของพวกเรา ท่านถืเป็นคนเหมือนกันทําไมท่านเลื่อท่านประเสริฐยิ่งกว่าเราใเรายึดนี้เป็นหลักท่านะหากว่าท่านไม่มีความรู้่งสาวพยายามความผาดพ้นจิงท่านจะเป็นผู้ยิเสด็จยิโสพอเป็นเานะของโลกได้อย่างไรใเรายึดนั่นเป็นหลักใจแล้วเอาความตายเข้ามาฝังไว้ในหัวใจทั้งๆที่หัวใ จ, วใ จ, ใ จ, ใจคือความรู้นั้นไม่เคยตายเราจะเอาความตายเข้าไปฝังไว้ในใจเราเอวป่าช้าไปทับผมหัวใจเรา จะทำบองลายกลัวจะตายครัวแตจะตายไม่ทราบว่าความตายมันมีความหมายกว้างแคบขนาดไหนอะไรเป็นผู้ตายใจเป็นมาอย่างนี้ไม่เคยตายจากไหนแต่ไรมาเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆที่โลกทั้งหลายว่าเกิดว şey hmm ่าตายเปลี่ยนรูปร <um> ่างคือตายแล้วกับไปถือปฏิทินวิญญาณเอาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆซุ้มๆต่ำๆมุ่นๆดอนๆตามนิธากรำหรือตามบุญตามกรรมที่ตัวนสร้างสมอารมมามากน้อย ส่นใจเองไม่เคยตายจึงไม่ควรออกความตายไป ถ, ถูกมัดจิตใจคุนง่ายๆว่าไม่ควรออกความตายไปแฝงคอหัวใจจะเป็นการการสร้างอุปสรรคสร้างความท้อถอยควา ม, มอ่อนแอความท่กเพื่อนให้แก่ตนแทนที่จะผ่านไปได้เพราะกลัว ค, ความกลัวาตายก็ไปปิดกัน้นทางเดินเฮียก็ไปไม่ได้นั่นสิ่งไม่มีจะไปหาเ ร, เรื่องใส่ใส่ใสิ่งไม่มี มันเกิดโทษจากตนเองคําว่าสิ่งไม่มีคืออะไรคือความตายนั้นน่ะไม่มีจกไม่มีอยู่ในจิตจิตเป็นธรรมชาติไม่ตายแม้จะมีกิเลสกันหาอาศระปกคุมอยู่ขั้นมากน้อยเชียงไรก็ตามจิตก็เป็นผู้ทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ไม่ยอมพิหายสลายตัวไปเพราะด้วยความพิพราะทุกข์ทลายบีบขั้นทําลายเลยเป็นความรู้อยู่เช่นนั้นเป็นจิตอยู่เช่นนั้นแม้จะตกในอันโลกวจีก็ไม่ตาย หาคนทุกข์ทรมานตามความหนักเบาแห่งกรรมที่ตนทํามาเท่านั้นนะมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามก็คือจิตดวงไม่ตายไ่แหลกไปงั้นขณะ น, นี้ก็อยู่ในธาตุในขันธ์อันที่เราเห็นอยู่นี่ธาตุขันธ์นี่เป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเราจิตมาอาศรรยัอาศรรยองธาตุนี้อยู่แล้วจิตนี้ก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นการพิจา ร, รณาเรื่องทุกข์มีทุกขเวทนาเป็นต้นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เวลาจะพิจารณามีทภพเวทนาเป็นต้นแล้วก็กลัวแต่ตายนี่คือสร้างฝากสร้างน้ำหยุดกัน้นทางตัวเดินให้เดินไปไม่ได้ความจริงมีอยู่ไม่ยอมเดินเพราะความหลงบังคับนั่นเองความความหลงบังคับคือความไม่รู้บังคับคืออะรกลัวตายทั้งทั้งที่ความตายไม่มีอยู่ภายในจิตแต่ก็กลัวตายเราเคยเชื่อที่เรศคําว่าตายตายนี่มานานแต่ทาอะไรก็กลัวแต่ตายกลัวแต่ตาย ทำท่านถึงแก้เข้าไปตรงนี้ให้เข้าถึงความจริงว่าจิตไม่ตายนี่คือความจริงสิ่งอนั้นสลายตัวลงไปตามสภาพของมันนั่นก็ไม่ตายให้เราพิจารณาทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยภายในธาตุในขันให้กําหนดพิจารณาตามความจริงของมันเพราะมันเป็นความจริงแต่และอย่างละอย่างหากเราไม่พิจารณาความจริงให้เห็นตามความจริงแล้วจิตของเราจะไม่ไม่เว้นที่จะต้องหวั่นไหวที่จะต้องเป็นครุขลําบากลำบ น, บนมากมายในขณะที่ ร่างกายจะสลายตัวไปที่เรียกว่าตายหาจิตพิจารณาตามธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ควรจะเอาปัาช้าไปตั้งไปในจิตไม่ควรจะเอาปัาช้าเอาความเอาความตายเป็นมัดกิตซึ่งไม่ใช่ผู้ตายให้กลายเป็นความอ่อนแอที่ถอยไปได้นี่คือสร้างขวากสร้างหนไมให้ ก, กีดกั้นทางตนเองให้หาทางเดินไปไม่ได้ความจริง มีอย่างไรให้พิจารณาลงไปตามความจริงอ้าวทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยภายในธาตขันธ์จะหมดทั้งตัวนี่ใครทร า, าบว่าทุกข์นี้มีอยู่รอบตัวแต่ไม่ใช่จิตทุกขเวทนาเวทนาอนิจจาวทนาอนัตตานะฟังเวทนาอนิจจ่าคื อ, อยงไงมันมีเกิดขึ้นได้มีตั้งอยู่ได้มีดับมีสลายไปได้เนี่ยมันอนิจจารืออนิจจัง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 สัญญาก็หลอกานั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานี่ทุกข์มากานะนี่ทุกข์มากเดี๋ยวตายนะใจนั่นมันหลอกให้เราทราบสัญญานี่ก็เกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละเป็นอาการของจิตแต่กลับมาหลอกจิตให้เอเอียให้วันไหลไปได้ถ้าจิตไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่ทราบความจริงของสัญญาว่าอนิจจาว่าอนัตตาความจริงสัญญาอนิจจจะมาทำลายจิตใจเราได้ยังไงสัญญาอนัตตาเนี่ยมันก็เป็นสภาพอันหนึ่งเช่นเดียวกันกับขันธ์ทั้งหลายไม่มีอะไรผิดแปกกัน รูปปางอนัตตานั่งฟังสิรูปปางมรนัตตาจะอาศัยมันที่ตรงไหนจะว่าเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนอนัตตาอนัตตก็บอกท่านชัดอยู่แล้วว่าไม่เป็นไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นของใครเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้ น, น, นหรือถ้ารูปก็สักแต่ว่ารูปแห่งธาตุเนี่ยเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราจะไปคว้ า, ามาทับผมจิตใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนไปไปอย่างไรพเพราะเวทนานั้นก็เป็นของร้อนอยู่แล้วแมกถามเข้ามาเผาตนทำไม ถ้าเป็นความฉลาดแล้วจะไม่แต่ยืดต้องพิจารณาตามความจริงของมันทุกขนาดไหนรู้ตามความจริงของมันเพราะจิตเป็นนักรู้ไม่มีถอยเรื่องรู้อยู่ก็บิตขอให้สงส่งเสริมสติเป็นผู้อคอยกากับให้ดีแม้ขณะที่จิตจะดับพอจะไม่เผลอพราะสติกํากับกับจิตจิตทําหน้าที่รู้ความหมายต่างๆหรืพิจารณาแยกแยกต่างๆเรื่องของปัญญาเนี่ยแยกให้เห็นแท้ตามเป็นจริงนี่เชื่อเป็นผู้ฉลาดในการเรียนตัวเอง ตามหลักศาสนาที่เรียนรู้ตัวเองโลกวิทูทำไมรู้แจ้งห็นจริงในโลกในขันมีแน่จะหมายถึงโลกวิทูอันใดนี้เป็นอันดับแรกคือเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงสังสอนว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกของพริพเจ้าก็ต้องรู้แจ้งธาตุแจ้งขันนึงที่เรียกัาหาอสวรรค์นี้โดยสิ้นเชิงก่อนแล้วถึงจะไปรู้สภาพแห่งโลกทั้งหลายทั่วๆวไปที่เรียกว่าโลกวิทูทั่วๆไป คุณสมบัติของ้าวกในตอนนี้ก็มีได้เหมือนกันเช่นโลกวิถูรู้รู้ใช่โลกในธาตุในขันของท่านโดยรอบรอบขอกปิไม่มีอะไดเหลือรอด ท, ที่ติดกติดข้อในสิ่ง น, นั้นแม้แต่น้อยมีเรียกว่าโลกวิถูให้เห็นโลกวิทูภายในธาตุในขันธาตขันไม่เป็นภัยต่อผู้ใดถ้าความหลงไม่ไปก่อขวนไม่ไปก่อเรื่องก่อลาให้มาเป็นภัยแบบนั้เดิมไม่มีอะไรเป็นภัยทุกข์ก็ไม่เป็นภัยแก่ใครเป็นความจริงที้งมันอย่างหนึง่งเท่านั้นทุกขเวทนาพิจามาลงให้เห็นชัด กินเป็นน่าเป็นสาระสําคัญภายในตัวอยู่ทําไมจึงไปไปหลงไปลงมายไปจาบนั่งคว้านี้นเอาสิ่งนั้นมาเผาตนเองทุกตักเขาเผาเขาต้องมีความหมายอะไรเช่นเดียวกับไฟมันจะก่อสูงเป็นเปลวมันจุดไฟประการถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันเราถอยตัวให้หา่างนั่นก็มีแต่สภาพเปล่ไฟเท่านั้นไม่สามารถที่ยังความมืดล้นเข้ามาสู่ตัวเราได้แต่ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับไฟไฟต้องเผาแน่ๆมีทุกเวทนาเหมือนกัน มันเป็นความจริงอันหนึ่ ง, งมันที่แสดงอยู่ภายในร่างกายของเหล่านี้เมื่อจิตของเราก็รู้ด้วยสติปัญญาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปตามความจริงอยู่แล้วสภาพความร้อนที่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของเวทนานั้นก็ไม่สามารถที่จะแผ่เผาจิตใจของเราให้เดือดร้อนไปตามด้วยได้เลยมีชื่อว่าเรียนทำเวทนาก็เป็นธรรม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 ยิ่งานเป็นเราอะไรอะไรเป็นเราหมดความโลภของฐานเป็นเราหมดความสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงยานย่ยาไปบ้างเล็กน้นนอยใจหายไปเลยเป็นทุกข์นั่นนี่แหละเครื่องก่อควรเครื่องทําลายเกิดขึ้นจากความสําคัญของจิตด้วยความนุ่มหลงว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเราอะไรเปลี่ยนแปลงไปน้อยจริงเหมือนกว่มามับฟันหัวใจเราให้ขาดทลายไปด้วยกันเป็นทุกข์ไปหมดนี่ถ้าเรื่องของธรรม ที่ขอพระพุทธเจ้ารงสอนไว้ไม่ไม่เป็นเช่นนั้นรูปังอานิจังรูปังฮาตาให้ทราบชัติวันนี้เป็นอานิจังเป็นของไม่เที่ยงด้วยพอจะอาศัยได้อย่างไรบ้างอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเป็นสภาพมันกลางๆอยู่ตามธรรมชาติของมันฤทนาก็เช่นเดียวกันเป็นธรรมชาติกลางๆอยู่ตามหลักความจริงของมันสัญญาก็เป็นธรรมชาติกลางๆถ้าเราไม่ไปหลงมันเสียเท่านั้นทั้งขันญิยานเหมือนกันเป็นธรมรมกลาง ขอให้จิตของาพิจารณาเห็นตามความจริงจิตก็เป็นกลางได้เมื่อจิตเป็นกลางจิตก็เป็นความจริงขึ้นมาเมื่อจิตเป็นความจริงขึ้นมาสิ่งนั้นก็เป็นความจริงเพราะสิ่งนั้นเป็นความจริงมาแล้วตั้งแต่ดังเดิมเป็นที่ที่เราหลงเรสําคัญมั่นหมายเท่าไหร่นี่คือหลักธรรมเห็นตามความจริงความตายตัดออกอย่าให้เข้าไปแค่สิ่งจิตได้จะกลายเป็นความทอด้อเนี่ยและล้มละลายกันได้เพราะคำว่าคําตานั้นเป็นสิ่งจอมปลอมที่สุดที่กิเลสมันเสดสัง หลอกลวงนำมาเป็นเวลานาะนทั้งๆ ท, ที่จิตไม่ตายแล้วยันกลัวตายไปทาําไมะถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมแล้วจะกลัวตายไปหาอะไรอะไรตายไม่มีอะไรตายจิต ก, ก็เป็นจิตจิตเป็นจิตมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ก่อภพก่อชาตินี่ไหนก็มีแต่เป็เปลี่ยนหน้าไปกา ร, รมกรรมวิบาก ท, ทั้งนั้นควรจิตไม่ตายนี่นี่หลักเดิมก็เป็นมาอย่างนี้ทีนี้เวลาพิจารณาเวทานาทํำไมจิตจะตายแล้วทําไมเราเราถึงกลัวตายอะไรตาย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 กำหนดให้เห็นชัดเจนแล้วไม่มีกลัวเมื่อจิตไม่ตายแล้วมันก็สนุกพิจารณาเลยอะไรจะเป็นขึ้นขนาดไหนก็พิจารณาให้มันเห็นเหตุเหนผลเพราะจิตนี้ไม่อั้นต่อการรู้กับสิ่งต่งางๆที่มาเกี่ยวข้องกับตนรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้พยายามสั่งสมสติตั้งสติให้ดีจะรู้ทุกระยะจนกระทั่งขณะที่ขาดจากการระหว่างขันธ์ก็ติด คือจะตายตามโลกสมมุตินีนน่ก็รู้อยู่ทุกระยะจนกระทั่งขาดออกจากกันเป็นวาระสุดท้ายนี่ยุคคือรู้อันหนึ่งรู้ที่สองรู้จนกระทั่งขณะวิเิยะสักขาดออกจากจิตไม่มีอะไรเหลืออยู่พายนในใจเลยก็รู้รู้ถูกระยะจิตไม่เคยลดละความรู้รู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาอากาศ ก, กูแล้วจิตจะตายไปไหนจะเกิดสันนิ้นเป็นอะไรอีก แต่ จ, จับประจับไปยญาดไปปัดท่าเหมือนสิ่งทั้งหลายล่ะเหนือจิดไม่ใช่กองปาดท่าให้เอาจิตนี่ยพิจา น, นาสิ่งนั้นให้ชัดเจนแล้วเราจะได้เห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในวงแห่งการพิจนาดูในขันในธาตุในขันอันนี้จะเป็นขันไหนก็ตามถ้าได้จอดสถิปัญญาไปจะเห็นชาติเฉพาะ อ, อย่างยิ่งทุกเวทนาในวะในเวลาที่มันเกิดขึ้นมากๆยืนในวาราสุดท้าย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 ด้วยการพิพจารณาไม่ลดละไม่ท้อถอยเป็นกับตายก็ให้เห็นความจริงเท่านั้นเป็นจุดใหอ่เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องอันนี้เป็นเรื่องคติธรรมดาไม่จําเป็นจะต้องไปกั้นกลางห่วงห้ามเขาเพราะเป็นหลักธรรมดากาั้นกลางห่วงห้ามก็ไม่อยู่นอกจากจะก่อความทุกข์ขึ้นมาในเมื่อสิ่งนั้นไม่สมหวังเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันใดที่เป็นตามความจริงให้ต่อยจะตามความจริงเอยวไปขู่บ้านขูเดือนขู่เดือนขวางถนนหลวง จะถูกกลับหมายใส่โทษนี่นี่คือถุนหลวง น, ลน ง, งนั่นแหละขติตธรรมะอันยิ่งทุกขังนักตาที่เต็มอยู่ในธาตุในขันนี้แต่กองอันงทุกขังนักตาพิจะน่าให้เห็นตามเมื่อกต่อยวางตามลำดับขึ้นามาแล้วเราก็จะมีความสุขความสมมายนี่คือเรื่องคณะเป็นเครื่องหลอกลวงไงเป็นเครื่องให้ทุกเราแต่แกขจิเลีด้วยสติปัญญาแล้วจะหมดไปหมดไปไ ป, ไปความสุขความสบายความเห็นชอบความสว่างสวายจะเกิดขึ้นภายในจิตใจใจที่ดวงที่ว่ากลัวตายก็ตายทั้งหมดความกลัว แล้วจะมาเห็นโทษตัวเองและวจำเองตัวเองว่าโอ้โหความัวตายมาทั้งเวลาหลายปีทัางหลายจำความได้จนกงะทั่งถึงแบบนี้โกหกเราทั้งเพล่นนะคนจริงๆแล้วความตายไม่มีมีแต่ความกินเต็มตัวนะพิจารนาอย่างนี้เทียนนักรบต้องสู้เอาจนไทยชนะท่านนักหลบแล้วแบบนี้จะหลบหลบซ่อนซ่อนหลบหลบหลีกหลีกจะเอาความกินที่ไหนไม่ได้นะ แล้วทุกเกิดขึ้นมากน้อยก็มีแต่ความโกลงกระวายความโกลงกระวายก็มีใครช่วยได้ใครจะช่วยได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองไม่มีใครช่วยได้มีสติปัญญาเท่านั้นจะช่วยความโกลงกวายนี้ให้หายทั้งหมดได้เลยจนมาทั่งวาระสุดท้ายที่ลมหายใจจะขาดไปไม่มีกระดูกกระทานเลยนี่คือความจริงขอให้จริงในใจเถิดใจของใครเหมือนกันหมดถ้าได้รู้ความจริงเพราะความจริงนี่เหมือนกันเมื่อเข้าถึงความจริงนีน้จิตจะเป็นเหมือนกันหมด ไม่มีความตะโกนท่านเพราะรู้ตามความจริงแล้วตื่นอะไรความที่ตื่นก็ความไม่รู้จักความไม่รู้ความจริงนั่นเองถึงได้ตื่นตื่นมากตื่นน้อยตามความรู้มากรู้น้อยเรื่องหลงมากหลงน้อยต่างกันถ้ารู้ซะจริงๆ ร, รอบภายในใ จ, จิตใจตลอดตัวถึงแล้วจะไม่ตื่นเรื่องความเป็นความตายเสมอกันถ้าสมกับธาตุทั้งสีเอามาจากไหนก็ออกมาจากของมีอยู่ดินน้ำลงไปเป็ของมีอยู่ในโลกเนี่ย ถ้าสมุติการเข้ามาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายจิตก็เป็นของที่มีอยู่เนี่ยเ้าอาศัยสิ่งนี้แล้วก็ถือกรรมสิทธิ์ว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วชาติลากันแล้วจะไปไหนก็ลงไปท่าสิบน่าลงไปของเขาตามเดิมจิตก็เป็นจิตจะเป็นอะไรไปอีกถ้าจิตบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมทั้งแข้งเท่านั้นเราให้ชื่อว่าธรรมทั้งดวงก็ได้ธรรมทั้งแข้งก็ถูกจะเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้ไม่มีทั้งไม่มีความต้องการใดๆให้การให้ชื่อใหนามขอให้ถึงความจริงด้วยประจักษ์ใจเท่านั้นเป็นที่พอ อายุชีวิตของนางไม่จําเป็นในชั้นนั้นชั้นนี้ว่าไม่ชั้นนั้นก็ตามเถอะเหมือนอย่างเรารับผานอิม่มเต็มที่แล้วเวลานี้เราได้ชั้นไหนในการรับผ่านไม่ต้องไปถามให้ท่นานะภูมิมันเต็มภูมิแล้วก็อยู่เั้านั้นเองหรือว่าไงฝุนรับทานไปได้หรือมันพอดีแล้วก็รู้มีจิตเมื่อมันถึงความพอตัวแล้วก็รู้ทําไมจะไม่รู้ฉันที่ฐิโกพระทีชาไม่ทรงผูกขาดมอบให้ผู้ปฏิบัติดู้เองชัดเด่ด้วยตัวเองทั้งนั้น ทำีนเป็นของกลางผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็รู้ความจริงนี่แหละการแก้ความหลงเราจะไปแก้กับสิ่งใดไม่ได้เรามาแก้ตัวของเราเองโลกที่ว่าเต็มด้วยความรุ่งหลงเราให้เต็มด้วยความรู้แล้วก็อยู่สบายในท่ามกลางเห็นโลกที่รุ่งหลงนี่เองอยู่ตรงนี้เอาร่างกายนี้จะเป็นไฟทั้งกองก็ให้เป็นจิตที่มีความรู้รอบ ไฟทั้งกองอยู่แล้วเราก็อยู่ในทัามการแห่งกองไฟด้วยความสุขสบายของเราเนี่ยมีกิจดวงเดียวเท่านี้ที่เป็นตัวเหตุสําคัญเพราะสิ่งที่จะเป็นตัวเหตุนันบังคับบัญชาอยู่ภายในนั้นโดยลํำดับลำดั บ, ดบถ้าเอาสิ่งที่เป็นที่เป็นภายซึ่งอยู่ในดวงใจหรืออยู่ในหัวใจนั้นออกในหมดด้วยสติปัญญาแล้วถ้าบายเป็นก็เป็นตายก็าตายไม่มีความหมายอะไรเรื่องเป็นเรื่องตายเพราะเรื่องความเปลี่ยนแปลงของธาตุเท่านั้นเอง ผิดแล้วไม่ได้เปลีป่ยนแปลงไปตามแล้วมีอะไรจะเป็นทุกข์หรืแสนสบายอยู่ที่นีให้พากันพิจารณาเอาชายัยชนะในจิตใจของเราให้ได้แพ้เราเคยแพ้มานานเนี่เกิดผลประโยชน์อะไรผลประโยชน์แห่งความแพ้เป็นมีแต่ความทุกข์ความลำบากนะผลที่เกิดขึ้นจากชายัยชนะจะเป็นอย่างไรเอาให้เห็นเล พ, พระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยความชนะอาวุธข้างหลังท่านป ร, ระเสริฐด้วยความชนะที่เหล็ก อ, อยู่เหนืออำนาจของกิเป็นเหนืออำนาจของที่เหล็กนะ เราอยู่ท่าหน้าเฉลียดมีความทุกข์แค่ไหนเราทราบด้วยกันทุกคนจะพยายามเหนืออำนาจของความรุ่งหลวงเรามีเราจะมีความสุขแค่ไหนไม่ต้องไปถามใครฉันทิติโกจะประกาศขึ้นอย่างเต็มตัวภายในจิตใจให้นํามาปฏิบัติทำเรื่อนี้อยู่กับใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่ไม่ถึงปัถฉนามันครอบหัวใจอยู่หลอกหัวใจตลอดเวลามันออกหน้าออกตาอย่างออกหน้าออกตาเท่านั้นคนเราจึงออกหน้าออกตาตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มไปหมดในโลก ความจริงออกหน้าออกตาไม่ได้เพราะอันนี้ยิมหน้ามากกว่าแล้วพยายามแก้ไขอันนี้ออกให้หมดจิตที่เป็นธรรมทั้งดวงนั้นจะได้ออกหน้าออกตาสว่างอาจะแก้ครอบโลกธาตุไปหมดนี่เป็นอำนาจของจิตของธรรมแท้คิดอํานาจของยิเลยิ่งอนาจกิเลยินี้มากเทาไรทาโลกใหเดือดร้อนมากตัวเองก็เดือดร้อนก็เดือดร้อนเมื่อจิตปราบิเงยิ่ตัวเป็นพิษพายออกมาแล้วกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาแล้วตัวก็เย็นโลกก็เย็นเย็นไปหมดะ 好呀，这个叫变分。